ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญข้าพระองค์แสวงหาภิกษาโดยธรรมได้มาแล้วเลี้ยงมารดาไปและบิดาข้าพระองค์ทำเช่นนี้ชื่อว่าทํากิจที่ควรทําหรือไม่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าชอบยิ่งนักพราหมณ์ท่านทําดังนี้ชื่อว่าได้ทํากิจที่ควรทําแท้ ด้วยว่าผู้ใดแสวงหาพิกษาธรรมได้มาแล้วก็เลี้ยงมารดาบิดาผู้นั้นย่อมประสบบุญเป็นอันมากพระผู้มีพระภาคผู้สุคศาสดาได้ตรัสวยากรณาภาสิตนี้แล้วจึงได้ตรัสคถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าบุคคลใดเลี้ยงมารดาบิดาโดยชอบธรรมเพราะการบำรุงเลี้ยงมารดาและปิดาเช่นนี้ บัณฑิตย่อมสารเสรินบุคคล น, นั้นขณะที่ยังอยู่ในโลกครั้นจากโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงในโลกสวรรค์เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วมาตุกโปสกะปรามได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญพระพาสิทธของพระองค์ชัดเจนไพเราะ ย, ยิ่งนักข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญ พระภาสิตของพระองค์ชัดเจนไพร่ยิ่งนักขอพระโคโดมผู้เจริญโปรดทรงจำคาพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสารณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตมาตุ ป, ปสกสูตรที่เกจบ